จริพรท่านผู้าการโทษสิทธิพรเกตจินดาผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวบินทักษิณชยาธิราชคุณสุวิทยกิ่งแก้วรองกรรมาการผู้จัดจา ก, การอาบุโส์ของบริษัทซีพีอจัด ก, กัรมหาชนท่าน อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาตมารู้สึกปลื้มใจดีใจที่ได้สร้างจากท่านผู้บัญชาการว่าเป็นนโยบายของโรงเรียนในเรืออากาศที่ กำหนดให้สถานศึกษาสงเกตแห่งนี้เป็นโรงเรียนสีขาวเป็นสถาบันการศึกษาที่ประกาศเป็นสัตยาบันว่าจะดูแลซึ่งกันและกันให้สถานที่แห่งนี้ปลอดอบายมุกซึ่งการประกาศนี้ก็ ประกาศต่อพระสงฆ์และต่อสื่อมวลชนเป็นนโยบายที่น่าชื่นชมและทุกฝ่ายก็หวังให้ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีของวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอื่นๆต่อไปทางนี้เพราะว่าอบายามุม ซึ่งแปลว่าทางแห่งความเสื่อมเป็นภัยที่ทำให้อนาคตของเยาวชนคนหนุ่มสาวต้องลุ่งสลายแม้ว่าเข้ามาศึกษาจะมีอนาคตที่ดีงามมีความพร้อมในหลายเรื่องแต่ชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป มันมีหลุมมีฝาหลุมแล้วก็ความหนามทั้งเหวสารพัดคอยดักรออยู่ทางศาสนาเรียกว่ามารเวลาจะทำดีจะมีมาระจนมารแปลว่าผู้ฆ่าผู้สังหารรากสัตว์เดียวกับคำว่ามรณะ ที่แปลว่าความตายมารฆ่าอะไรฆ่าความดีของเราฆ่าชื่อเสียงฆ่าความสำเร็จชีวิตกำลังรุ่งโรจน์ก็ถูกกิเลสสมารกิเลสในใจเรานี่แหละพาผันผวนไปติดอบายามุกหมดอนาคตมารจึงมีกับดัก กับดักอยู่ตรงนั้นตรงนี้ดังที่เราได้รับรายงานแม้กระทั่งสถาบันการศึกษาบางทีก็ไปตั้งกับดักอยู่ติดกับรั้วสถาบันเอาชีวิตกลางคืนมาหลอกล่อกเด็กหนุ่มสาวออกจากรั้วสถาบันการศึกษาก็เข้าแหล่งอบายมุขแหล่งบันเทิง แม้เราจะบอกว่าให้มันอยู่ห่างตามกฎหมายกี่กี่เมตรกี่กิโลมันก็ไม่ฝัง ม, มันก็มาตั้งกับดักรออยู่และกับดักเหล่านี้แหละมันพาให้ชีวิตตกตับพอเข้าไปสู่กับดักของมนันก็เหมือนผีสิงชีวิตมันเปลี่ยนคนดีๆก็เปลี่ยนเป็นคนละพรเหมือนผีเข้า ดังนั้นพระท่านจึงเตือนเป็นคำประพันธ์ง่ายๆบอกว่าระวังผีหกตัวเข้าสิงเวลาไปเผาศพอย่าเผาแต่ร่างที่ไร้วิญญาณของผู้ตายบนเมนให้อธิษฐานเผาผีที่มันจะตามสิงเราไปอยู่เรื่อย เผาศพทั้งทีเผาผีเสียด้วยผีมีหกตัวท่านว่าเป็นคำคล้อมจองว่าอย่างนี้คอยดูว่าผีตัวไหนมันชอบมาตามรังควานชีวิตเราผีหนึ่งชอบเศษสุรายาเศษติดเป็นอาจิงไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหาร ผีสองชอบท่องเที่ยวยางวิการไม่รักลูกรักบ้านของตนผีสามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่รักเว้นบาครับละครโขนผีสี่ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นไพ่ เล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดผัวโปไให้โลสิ้นผีที่หกชอบเกียรติครั้งการหากินมีทั้งสิ้นหกผีอปรีเอยโรงเรียนสีขาวก็คือโรงเรียนที่ปลอดจัดผีทั้งหกตัวไม่มาแท่วผ่านเมื่อประกาศเป็นนโยบายอย่างนี้ ก็หมายถึงเป็นเขตปลอดเขตที่งดเว้นจากอบายมุกตั้งแต่สุรายาสิติเป็นต้นไปการประกาศให้สถาบันเป็นสีขาวก็เหมือนกับการสมาทานศีลเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราไปร่วมพิธีทางาศาสนาเนี่ยเขาจะเริ่มด้วย สมาทานศีลที่จริงก็คือบูชาพระตนะไตรรับไตราสารนคมพุทธังสารณังคันฉามิแล้วก็ตามด้วยสมาทานศีหเบญจศีลการสมาทานต้องสมาทานต่อหน้าพระสงฆ์คือพระสงฆ์ท่านว่านําในประเทศพมา่าลังกาก็แบบเดียวกัน พระสงฆ์ท่านจะว่าหนับและเราก็ว่าตามปาณาติปาตาจนถึงสุรามีระยะสี่ห้าเนี่ยทำไมต้องว่าสมาทานต่อหน้าพระสงฆ์ก็เพื่อเป็นการปฏิญญาณตนปฏิญญาณตนก็คือประกาศต่อหน้าพระสงฆ์ที่เราไปสมาทานว่านับบัดนับแต่บัด น, นี้เป็นต้นไป ถ้าพระเจ้าขอให้พระสงฆ์เป็นพยานจะลดละเลิกในเรื่องห้าประการก็คือเรื่องการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกางการพูดเทศการข้องแวะกับสุรายาเสพติดการให้พระเป็นพยานเนี่ยคือเพิ่มพลังให้เราให้เรามีความรู้สึกละอายบาป ตอนนี้เราได้เปล่งวาจารับศีลสมาทานคือรับว่าจะปฏิบัติเราจะไม่ลวกละเบิดเหมือนกับเป็นการประกาศสัตว์ปฏิญญาเนี่ยหน้าธงชัยเฉลิมพลใช่ไมเราประกาศว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็แบบเดียวกันประกาศต่อหน้าพระรัตนตรยัยว่าจะไม่ล้องแวะกับเรื่องเหล่านี้ทีนี้เมื่อ เราประกาศแล้วสมาทานแล้วก็ไปเจอกับดักของหมันที่จะทำให้เราต้องล่วงละเมิดเช่นคนเอาสุรามาให้เอายาเสพติดมาให้เราก็นึกถึงํำปฏิญญาณต่อหน้าพระทำไม่ได้นะการงดเว้นด้วยการบอกกับตัวเองว่าเราได้ประกาศไปแล้วทำไม่ได้เนี่ย ท่านเรียกว่าสัมมาทานวีรัตสมาทานวีรัตวีรัตแปลว่างมดเว้นเพราะเราได้สมาทานคือประกาศปฏิญญาไว้แล้วจึงหยุดไม่ทำเพราะได้ประกาศไว้หรือปฏิญญาไว้แต่หลายท่านบางคนนะที่นี้เนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปสมาทานศีลไม่ได้ไปวัดเป็นเดือน แต่ก็ไม่ดื่มไม่เสพเมื่อมีคนมายื่นมาเสนอท่านเรียกการงดตรงนี้ว่าสัมปตตวิรัตแปลว่างดเว้นเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ที่มันมันยั่วยุเราก็ไม่ทำเพราะเห็นแก่สุขภาพเห็นแก่ชื่อเสียงเห็นแก่อะไรก็ตามเขาเรียกสัมปตตวิรัตก็ดี ทั้งคู่เลยนะขอให้มันเลิกให้มันให้มันงดเว้นได้ก่อนแต่มันจะมีงดเว้นประการที่สามไม่เกี่ยวกับสองข้อนะ่นคือสมุทเฉทเวรัตงดเว้นได้เด็กขาดไม่คล่องแววก บ, บายามุกหรือไม่ละเมิดสีเลยนั่นคือพระอรหันต์พระอริยเจ้านี่เราไม่ต้องไปบอกว่าท่านจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่อะไรงี้เพราะท่านไม่มีกิเลสไง ท่านตัดเหตุที่จะทำให้ร่วงละเมิดได้หมดซึ่งสำหรับพวกเราปุถุชนมันก็เหลืออยู่สอ ง, สองข้อก็คือสมาทานวิรัตน์ลดเว้นเพราะเราได้ประกาศได้สมาทานไว้และสองหรือสองสำปัตตาวิรัตน์เพราะเรารักตัวของเรามีอะไรมายั่วยุเราก็ไม่ออกนอก่ังเป็นคนดีโดยตัวเราเองสองอย่าง แต่วันนี้เนี่ยทางโรงเรียนในเรืออากาศมาทำสมาฐานวิรัตพวกเราทั้งหมดนะต้องร่วมมือกันให้เป็นโรงเรียนสีขาวทั้งครูบาอาจารย์ผู้บริหารและนักเรียนเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของเราเยาวชนเพื่อครอบครัวของเราเพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่ออะไรเลยไม่ไม่ใช่เพื่อว่านั่นนี่หรอกแต่การปลอดอบายามุกเป็นความดีงาม ทั้งส่วนบุคคลทั้งสังคมนี่แหละคือสิ่งที่เรามาประกาศกันตรงนี้จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาการประกาศอย่างนี้เท่ากับกําหนดยุทธศาสตร์4ี่ข้อยุทธศาสตร์สี่ข้อเป็นแนวนโยบายที่ต้องดําเนินการเนี่ยเพื่อเอาชนะกับมารหรือตําดักของมารเรารบกับมาร น, นะมารที่ว่านี้เป็นทั้งมารภายในคือกิเลส ข, ของเรา และมารภายนอกที่มาทำกับดักหลอกล่อเราเราต้องเอาชนะให้ได้เราต้องเข้มแข็งถ้าเราเอาชนะมารแค่นี้ไม่ได้แล้วจะไปป้องกันประเทศได้อย่างไรทหารมันก็อ่อนแอใช่ไหมทหารที่เข้มแข็งจะต้องเอาชนะตัวเองก่อนอัตตาฮเวที่ตังสยโยชนะตัวเองนั่นแหละดีกว่าพอเราชนะตัวเองควบคุมตัวเองได้เราก็ชนะคนอื่นปกคลองคนอื่นได้ เรากำลังพูดถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือตัวเราเองที่มีต่อมาและ ก, กับดักของหม ย, ยุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะที่ว่านี่มีสี่ระดับด้วยกันท่านเรียกว่าประธานะทอทงนะประธานนะแปลว่าความเพียรพยายามเพื่อเอาชนะในสี่เรื่องในสี่เรื่องคือที่เราจะต้องทาร่วมกันเนี่ยสี่ขั้นตอนสำหรับโรงเรียนสีขาวหนึ่ง สังวรประาัเพยายามที่จะป้องกันไม่ให้กับดักของมาเนี่ยมันเข้ามาในโรงเรียนไม่ให้มีแหลงอบายามุขไม่ให้มียาเสพติดไม่ให้มีสิ่งยั่วยวนเข้ามาหลอกลอก่อหนังเรียนของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราสังวรในสถานาสถาบันเนี่ยเหมือนกับขีดวงล้องไว้ ไม่ให้สิ่งเลวร้ายไม่ให้มาร น, นี่มันเข้ามายุยยุบมาทําลายลูกศิษย์ของเราในฝ่ายนี่คือในฝ่ายสถาบันเรียกว่าสังวรประธานในฝ่ายบุคคลก็คือผู้บริหารครูบาอาจารย์นักเรียนทั้งหลายเนี่ยก็ป้องกันตัวเองอย่าตกเป็นเหยื่ออย่าตกเป็นเหยื่อของมารและไปเคลียน์คามให้กำดักของมารคืออย่าไปข้องแวะกับใบไมายามุก ตั้งแต่สุรายาเสพติดจนกระทั่งการพนันอะไรก็ตา่าล้วาเบอกตัวเองว่าเราจะไม่ไปยุคชีวิตของเราสามารถที่จะมีความสุขมีความสำเร็จเอาดีได้โดยไม่ต้องพึ่งไอ้พวกกำดักของมาอย่าไปเพี้ยงพล้มเพราะอยากเรียนเก่งสมัยหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้เรียกว่าเอายาบ้าเป็นยาผิดกฎหมายอะ่ะ สมัยนั้นนี่อุบัติเหตุเกิดเยอะมากเพราะว่าตามปั๊มน้ํามันเนี่ยมันมีขายทั่วไปเลยรถบรรทุกทั้งหลายเวลาขับเพื่อทําเวลาเนี่ยคนขับก็เป็นเสพยาบ้าเสพยาบ้าแล้วเป็นไงโอ้ยทํางานดีทุกคนได้เงินเยอะแต่เวลามันน็อกหลับในขึ้นมามันหมดสภาพนี่อุบัติเหตุจากรถบรรทุกเนี่ยมันทําลายเศรษฐกิจไปเท่าไหร่ชีวิตทรัพย์สิน์นักเรียนสมัยก่อน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 และสิ่งเหล่านี้กลายเป็นยาเสพติดต้องห้ามไปแล้วเราไปเสพก็ผิดกฎหมายขายก็ผิดกฎหมายใครไปยุ่งกับยายาบ้ายา마าเฮโรอีนอะไรก็ตามอะหวังความสุขหวังความสำเร็จหวังอะไรก็ตามในสุดมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ระหวังไปคนที่ไม่ระมัดระหวังเนี่ยบางทีเนี่ยเข้าไปค้อแวกกับ สุรายาเสพติดทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มจากเล็กๆก่อนนะมีงานวิจัยเขาแสดงออกมาว่าคนที่ไปติดยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นยาบ้าเฮโรอีนฟินกัญจาเนี่ยมันเริ่มจากเล็กๆก่อนส่วนมากเขาเรียกว่าเรียนอนุบาลก่อนนะี่ยมันจะถึงขั้นฟินเฮโรอนีนที่มหาวิเลยใช่ไหมยาอียาไอซ์ตั้งไายเนี่ยมันเริ่มจากอนุบาลคือพวกบุรีก่อนนะี่ย พวกที่จะไปติดยาทั้งหลายเนี่ยยา ส, สูงขึ้นไปส่วนมาก่านบุรีมาก่อนซูบุรีก่อนแล้วก็ไปสุราไปกัญชาไปฟินไปยาบ้ายาเรพอินมันขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาเราถามว่าใครเป็นยังไงเนี่ยนะถามเด็กหนุ่มเด็กสาวเขาบอกคนนี้ดีไม่ไม่เล่าไปกินบุรีไม่สูง เขาพูดอย่างนี้มันหมายถึงยังไงหมายถึงยาเสพติดอื่นมันไม่ตามมาไงเขาหมายถึงอย่างนั้นด้วยที่ว่าเล่าไปกินบุหรี่ไปสูบไม่ใช่ไปเป็นโรอินนะไม่ใช่ขนาดบุหรี่ก็ยังไม่เอาอะ่ะเออเล่าก็ไม่ดื่มอะ่ะยับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องยาอื่นๆเลยอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะห่างจากพวกยาเสพติดนะอย่าไปคล้องแว้กับบุหรี่อย่าไปร้องอย่าไปดื่มสุรา และมันจะไม่มีเพิ่มเป็นมัธยมอะรวมศึกษาต่อไปอีกมันเป็นอย่างนี้แล้วคนที่เห็นพิษภัยตรงนี้เนี่ยเขาได้ตั้งสมาคมรักษาพวกติดสุราหรือหลังทั่วโลกในในประเทศเราก็มีนะเป็นสาขาเขาอ่ะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาว่าแอ c o h o l i c ิกแอนนอมิเขาชื่ อ, อย่อว่า AA นะ่สมาคมเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกนะ AA เนี่ย แปลในภาษาไทยว่ากลุ่มกลุ่มผู้ติดสุราเรื้อลังนิรนามทําไมต้องใช้คําว่านิรนามละ่ะก็เพราะว่าคนที่เข้าไปรักษาเขาไม่ระบุชื่อกันเขาไม่อยากจะบอกว่าดิฉันเป็นสมาคมเป็นสมาชิก ข, ของกลุ่มนี้สมาคมนี้คือสมาคมเลิกเล่านั่นแหละเอเอเนี่ย แล้วเขาต้องนีระนามเพราะว่าสมวนไว้เดี๋ยวใครเป็นสิษยากก็เสียหายสิเขาไม่ระบุชื่อแต่จึงเป็นอโนดิมัสเปลว่า น, นีระนามไม่ประสงค์จะออกนามว่าไปผ่านกลุ่มนี้มาแล้วและกลุ่มนี้เขาทำอะไรละ่ะเขาช่วยกันเขาช่วยกันเหมือนกับให้คำแนะนำคำปรึกษาให้กำลับบงใจเพื่อให้พวกติดสุราเนี่ยเลิกสุราให้ได้รวมถึงยาเสพติดอื่นๆด้วยนะถ้าเป็นไปได้เนะี่ เพราะว่ากำลงังคนคนเดียวนี่มันเลิกไม่ได้บางคนเลิกมา60สครั้งก็ยังดื่มอยู่เพราะมันติดจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ติดที่จะเลิกง่ายๆน ะ, ะผลอะของการที่สมาคม AA เนี่ยเขาทำเอาไว้เขามีเขามีหลักการมีอะไรต่างๆลองไปดูสิน่าเห็นใจมากกว่าจะเลิกได้มันลำบากยากเข็ญอย่างไรและมันเริ่มมาจากคนที่คนเริ่มต้นเนี่ยชื่อในบิลวิลสันเป็นชาวอเมริกัน เบลวิลสันเนี่ยเขาติดสุราายัางหนักเกือบตายอะ น, นะหมดอนาคตทุกๆอย่างเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ไปเกมไปเป็นทาหารนะไปเป็นทาหารไปรบที่เมสซิชูเสรไปบังเอิญว่าไปเข้างานสมาคมอะ่ะเขาเอาเป็นทาหารหนุ่มอายุยี่สิบสองปีนะคุณเบลวิลสันเนี่ย เขาเอาสุรามาเบียตะแลกกับเบียก่อนให้ดื่มก็ดื่มเป็นพิธีอยากลองนะอายุ22ตอนนั้นเป็นทหารไปรบแล้วไปอีกงานหนึ่งทีนี้เขาเอาเหล้ามาให้ดื่มเลยนะผนสมกันอะไรก็ไม่รู้ดื่อแล้วมันเมาหมดสติเลยนะโดนเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่ามันเข้าไปอีกโลกหนึ่งนะตั้งแต่นั้นมาเมาตลอด เสียผู้เสียคนออกจากทหารมาเรียนหนังสือก็ไม่จบทงธุรกิจแต่งงานภรรยาก็จะเลิกธุรกิจวัดวดวายหมดจนอายุสาสบเกปีเนี่ยเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลสี่รอบไม่สำเร็จไม่สำเร็จก็เลยอธิษฐานจิตว่าถ้านมันจะตายก็ตายะถ้ามันเลิกไม่ได้ก็ขอตายละแต่ถ้าเลิกได้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยบรรดาก็เลยมีมันมีแสงว่าเข้ามา หายเมาเลยทีเดียวเออโดยหลังจากนั้นก็เลยไปเข้ากลุ่มทงางศาสนาของเขาอ่ะศาสนาคริสต์เนี่ยนะไม่เอาล้ไปสวดมนต์ไปอะไรต่างๆเอ า, าศาสนามาช่วยเพราะว่าทางโรงพยาบาลช่วยเราไม่ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาและกลุ่มนี้ได้ขยายไปช่วยคนที่ติดเนี่ยติดซูราเนี่ยทั่วโลกปัจจุบันมีสมาชิกที่ทำงานเพื่อเป็นกลุ่มเป็นสมาชิกที่ช่วยคนอื่นเนี่ยยี่สิบล้านคน ปีหนึ่งมีคนมาเข้ า, างาน เ, เข้ากลุ่มนี้เพื่อเลิกเหล้าเนี่ยเลิกสุราเนี่ยปีละไม่ต่ํกว่าสล้านคนสงสารเขาไหล่ะเขาอยากเลิกนะแต่มันเลิกไม่ได้ต้องมาอาศาัยไอ้ที่อยู่ข้างนอกแล้วแม่มาเข้าอีกเท่าไหร่เนี่ยเราเนี่ยไม่ติดดีแล้วไม่ต้องไปอาศัยกลุ่มนี้นะดีแล้วเข้าไปแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าจะเลิกได้ทันทีนะลองนึกถึงหัวอกของคนที่ติดเนี่ย มันเลิกยากขนาดไหนยิ่งพวกฟินพวกเฮโรอีนพวกอะไรต่างๆเนี่ยยาบ้าขึ้นไปอีกเนี่ยมันมันน่าสงสารขนาดไหนเราเนี่ยเหมือนกับคนที่ยืน อ, อยู่บนฝั่งนะยังไม่ตกน้ํามองแล้วมันน่าสงสารไอ้พวกจมน้ําเนี่ยจะจมน้ําแหลไม่จมน้ําแหลมเนี่ยแล้วเราเนี่ยเราอยู่ตรงนี้บนฝั่งดีๆแล้วจะ ก, การะโจนลงไปทําไมจะกลายเป็นพวกสมาชิก AA อย่างนั้ น, น, นหรือไปขอความช่วยเหลือเขาอย่างนั้นเลยเนี่ย สิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เปิดเผยกันเพราะว่าเขานิรนามนะแต่อามาเล่าให้ฟังเพื่อเห็นว่าคนที่พอมันติดไปแล้วอย่างคุณบิล ว, วินสันกว่าจะเลิกได้อายุสามสิบเก้าน่ะแล้วตอนหลังก็เลยไปช่วยคนทั่วโลกซึ่งเราไม่ไปเป็นไม่ไปติดกับดักนี่ดีแล้วเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งสังวร แปลว่าเราวางไว้อย่าไปลองอย่าไปเซฟอย่าไปให้มันติดเหมือนคุณบิววีซันนะ่ะนะเรื่องเล็กเล็กนิด เ, เ, เ, เดียวอ่ะ น, นะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทาลายชีวิตเลยอันนี้ก็คื อ, อ, อสังวรประธานในสังวรประธานนี้ทางสถาบันก็ต้องป้องกันด้วยการรณรงค์กันนะให้คนได้รู้พิษภัยของสุรายาเสพติดทั้งหมดให้ระหนักถึงโทษภยัย แล้วอย่าให้มีกระบวนการที่ว่ากับดักของมานเนี่ยมันเข้ามานะมาขายมาล่อมาอะไรกระาำมันไม่มีเลยแล้วเท่ากับเราขีดวงรักษาเจ้าหน้าที่ของเราบุคลากรของเรานักเรียนนักศึกษาของเราให้ปลอดภัยนี่คือสังวรประทานก็กาหนดในยยบยือว่าจะต้องทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันระวังป้องกันอย่างไรไม่ให้ผีมันเข้ามาในสถาบันของเรา ผีทั้งหตัวนี่คือสังวรประธานข้อที่สองปาหานักประธานยุทธศาสตร์ที่สองถ้ามันติดแล้วล่ะเราจะต้องอดูแลกันอย่างไรบางคนนี่มันตกเป็นทาสของสุราหรือติดบุหรี่ติดยาติดอะไรก็ตามเนี่ยเราปฏิบตัติต่อคนเหล่านี้ด้วยเมตตาความรักการุณาความสงสารอยากเป็นซ้ำเติมเขา แต่หาทางประคับประคองให้เขาออกมาจากกับดักหลุมพรางของมารให้ได้ทำอย่างไรดีล่ะซึ่งมันจะต้องมีสองอย่างช่วยกันใครที่พลาดท่าไปแล้วบางทีมันไม่ใช่ยาเสพติดที่อันตรายผิดกฎหมายแต่ว่ามันก็เสพติดยาสุราอย่างนี้มันทำลายระบบสมองระบบชีวิตทั้งหมดเลยเนี่ย มันเลิกไปได้เป็นแอลกอฮอลิกอ่ะเราก็ต้องมองด้วยความเห็นใจบางทีสังคมก็เป็นตำหนิไปด่าเขาอะไรเขาเข า, เขายิ่งแย่ใหญ่สถาบันต้องช่วยกันยังไงท่านเปรียบเหมือนช้างตกลงช้างตกลมนี่เราคงเคยเห็นภาพในสารคดีกันนะเวลาช้างตัวใหญ่ใหญบางทีก็ลูกช้างนี่แหละมันตกไปในหลงแม่ช้างจะอุ้มขึ้นมันก็อุ้มไม่ได้เขาทำยังไงบางทีช้างตัวใหญ่ด้วยนะ ช้างยิ่งตกไปในหลุมนะยิ่งดิน้นยิ่งจมเพราะมันตัวหนักตัวใหญ่เขาทำยังไงท่านก็คงเคยเห็นเขาจะควานช้างหรือคนที่รู้เรื่องนี้เขาก็จะไปเอาช้างตัวใหญ่อีกเชือกหนึ่งเนะีอาจจะใหญ่กว่าด้วยกว่าตัวที่ตกหลง่มมาอยู่ข้างๆหลุมนะหลุมโคลนเนี่ยแล้วเอาโซ่หรือเชือก อะไรก็แล้วแต่ที่หาได้ทมมุบก็เป็นโซ่เนี่ยนะไปผูกล่ามช้างข้างล่างในหลุมแล้วผูกติดกับช้างที่อยู่บนบกให้ช้างที่อยู่บนบกเนี่ยล่าช้างตกลงเนี่ยขึ้นมานีขึ้นม า, นะนมาช้างจึงปลอดภัยคนที่ถล่มไปติดยาเสพติดเนี่ยหรือเล่นติดการพนัน ก, ก็ตาม มันเหมือนช้างตกหลบมันขึ้นเองไม่ได้นะยิ่งดิ้นมันยิ่งจมนะยิ่งดิ้นมันยิ่งติดนะเพราะฉะนั้นเขาจึงพุทธเจ้าบอกว่าช้างตกหลบพพุทธเจ้าสอนนะมันจะมีวิธีคือหนึ่งร้องดังๆให้ขวานช่วยมันจะร้องดังเลยมันไม่เงียบนะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหานะี่อย่าไปเก็บไว้คนเดียวนะ ยิ่งเงียบยิ่งอะไรต่างคนไม่รู้มันก็ยิ่งจมใหญ่มันจะต้องมีที่ปรึกษามีครูบาอาจารย์มันเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนยก็ต้องศรึกษาครูบาอาจารย์แล้วครับผมตกหล่ไปแล้วจะทำยังไงดีเนี่ยมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้หาควานช้างคือที่ปรึกษาควานช้างเขาก็จะเอาช้างอื่นนี่มาปูแล้วดึงช้างในหลบขึ้นมาเราก็จะขึ้นมาจากหลุมจากกลุมโคลนได้ เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ตกคือขวานคือช้างบนบกก็ต้องช่วยดึงพวกที่อยู่ในหลุมในโคลนเนี่ยขึ้นมาส่วนพวกที่อยู่ในหลุมในโคลนก็ต้องช่วยตัวเองด้วยนะตะเกียกตะกายขึ้นมาด้วยไหนถ้าไม่ตะเกียกตะกายขึ้นมานะช้างมันยกจะไม่ไหวหรอกไอ้ที่ขึ้นมาได้เพราะไอ้ตัวที่อยู่ในหลุมมันก็ช่วยตัวเองเพราะฉะนั้นหนึ่งร้องดังๆอันที่สองเมื่อเขามาฉุดมาช่วยแล้วเราก็ต้องช่วยตัวเองด้วยและเลิกละให้ด้วย ทีนี้การเลิกลักเนี่ยมันจะช่วยตัวเองอย่างไรไงละ่ะคอยสังเกตเลยเคยสังเกตไหมละ่ะคนที่ติดสุรายาเสพติดเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกว่าอยากเลิกอยากไปให้พ้นไม่อยากเป็นอย่างนี้อีกแล้วถ้าเขายังเห็นว่ามันดียังเมาให้ลืมโลกอย่างนี้ช่วยไม่ได้หรอกไปดึงเท่าไหร่เขาก็เป็นขึ้นเหมือนช้างมันนอนนิ่งๆเรายกอุ้ง ม, มันได้ที่ไหนละ่ะทําเพราะฉะนั้น คนเจ้าตัวเขาเองเนี่ยต้องปฏิ ญ, ญาณก่อนสมาทานก่อนละเริ่มไม่เอาละคือเห็นพิษเห็นภัยพอเห็นพิษเห็นภัยว่ามันไม่ดีเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอบายามุกเรื่องอะไรไม่ว่ายาเสพติดไม่ว่าการพานันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยการเที่ยวอะไรเราอยากจะเลิกเลยนะเราจะต้องเห็นโทษมันก่อนมันทําลายชีวิตเราอย่างไร ถ้าเราไปเห็นแต่มันด้านดีอย่างเดียวเลยนะเหมือนคนซื้อหวยใช่ไหมอันนี้บอกๆหนึเห็นแต่ตอนตอนถูกได้ได้ได้ได้รางวัลเลขทายสองตัวโอ้ยชื่นชมเหลือเกินแต่อัที่โดนกินมันไปเนะี่ยไม่พูดถึงเลยนะเออมันต้องมองไอ้ที่เหลวแล้วมาด้วยสิว่ามันเกลือนขายบ้านขายช่องไปเนี่ยกว่าจะมาถูกนิดเดียวเนี่ยคุณเสียไปเท่าไหร่เนี่ยมันต้องมองอย่างนั้น เมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยมันแล้วเนี่ยมันอยากเลิกแหละแล้วการจะเลิกเนี่ยทำยังไงนอันนี้เราก็ต้องมีวิถีแนะนำการที่เราไปติดไม่ว่าจะติดอะไรก็ตามสุรา ย, ยาเสพติดเขาเรียกว่ามันเป็นนิสัยนิสัยมันเป็นแฮบปนนิสัยเล่นการพนันมันเป็นนิสัยเจอไม่ได้แล้วไปต้องหายเว็บเข้าไปหละไปเล่นน่ะยาเสพติดหรือสุราหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะ แค่โฆษณาปุ๊บขึ้นมาขึ้นทําไมเขาถึงตอนนี้เขาบอกว่าห้ามโฆษณาลนะประเทศเราเนี่โฆษณาไม่ได้นะพี่กฎหมายใช่ไหมเ อ, เ, อเอาเอาขวดสุราขึ้นยี่ห้อ น, นั้นยี่ห้อ น, นี้ขึ้นจอนีิพี่กฎหมายทันทีแม้แต่ไปเป็นพรีเซนเตอร์นะดาราทั้งหลายนี่โดนเล่นงานเลยทําไมท่านเขาถึงห้ามละ่ะเพราะว่าการโฆษณาเนี่ยมันเป็นกับดักของมาร์ดนะ พอคนที่ติดอยู่แล้วเนี่ยนะพอเห็นขวดขึ้นบนจอเนี่ยขวดสุราขึ้นบนจอเนี่ยนะมันเกิดอาการอยากเซ็มทันทีเลยมันกระตุ้นทันทีนะมันเป็นตัวกระตุน้นตันหานะ่ะเขาเรียกว่าสิ่งเร้าใช่ไหมภาษาสมัยใหม่เนี่ยเพราะมันมีสิ่งเร้าขึ้นมากําลังขับรถอยู่ดีๆเนี่ยนะพอเห็นขวดสุราอยู่ตรงนู้นขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันจะขับไม่ได้เลยนะคนอยากขึ้นมาดิเลยนะมันจะต้องแวะเข้าไปตรงไหนแล้วเ ส, เสียงานเสียการเลยเขาเรียกว่า สิ่งเราเนี่ยมันมีอิทธิพลมากไม่ว่าจะเป็นบุหรีเป็นสุราก็ตามเนะี่ยพอมันขึ้นป้ายโฆษณาขึ้นมาเนี่ยมันลืมงานที่กำลังทำหมดเลยเนี่ยแล้วไหนที่สุดเขาเรียกกันว่าหลงมงงวยจนออกไม่ถูกฉะนั้นประเทศเราเนี่ยก็ดีแล้วนะตอนนี้ดีอยู่หน่อยแต่ก็ติดเยอะแล้วละไม่ให้โฆษณาเพื่อไม่ให้มันมีสิ่งเราทีนี้คนเนี่ยเวลาติดมาแล้วเนี่ยเจอ ภาพก็ดีเสียงก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันอยากเสพเพราะอะไรตัณหาไงภาษาบาลีาก็เรียกตัณหาคือความอยากอยากอะไรไม่ใช่อยากสุราไม่ใช่อยากยาเสพติดนะอยากได้ผลที่สุรามันให้ที่ยาเสพติดมันให้มันมีสองอย่างหนึ่งทางกายมันก็ติดหมายความว่ารักษาทางกายเนี่ยมันมีสภาพ ทางกายที่ไม่ได้เสพแล้วมันจะลงแดงเนี่ยแต่มันยังไม่หลายแรงเท่ากระถางจิตใจคนที่ติดเนี่ยนะนอกจากอยากลองเนะมันอยากอะไรอีกมันมันเบื่อไงบางคนนี่เบื่อชีวิตเบื่ออะไรครอบครัวเบื่ออะไรทั้งหมดอยากจะแก้เบื่อด้วยทาไงเข้าไปในโลกที่สุรายาเสติตมันให้มันเป็นความสุขที่แก้เบื่อแก้แก้อะไรอีกแก้เซ็ง เซ็งคืออยู่คนเดียวเหงาอยากจะมีเพื่อนมีสังคมก็ไปเข้ากลุ่มเข้ากลุด้วยกันใช่ไหมโอ้พอเดียวกันเนอะรักกันเหลือเกินามาแล้วแก้เซ็งแ ก, แ ก, แก้เหงาแล้วยังมีอีกอประเภทที่ลืมอยากลืมโอตอนนี้มันทุกขนะ์มีนี่ท่วมหัวมันจะไปนี่อย่างไรเมาดีกว่า เมาแล้วก็ลืมยิ่งเมาก็ยิ่งเป็นหนี้เป็นหนี้ก็เพิ่มอีกพอสางเมาเอาตายแล้วปัญหาเพียบเลยไปเมาต่อเพื่อให้ลืมมันหลายเหตุแต่เป้าหมายมันอยู่ที่อยากลืมยอยากลองก่อนใช่ไหมอยากลองอยากลืมอยากแก้เซ็งแก้เหงาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือผลมาเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่แก้ที่ผลที่เราปรารถนาเนี่ยมันเลิกไม่ได้ ทลนิสัยเนี่ยมันจะมาทันทีฉะนั้นคนที่เสพติดเนี่ยจะต้องมีมีการวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าไอ้ที่เราไปดื่มนี่ปัญหาเช่นว่าปัญหานิศสินปัญหาอะไรต่างๆมันมีวิธีแก้ไหมเพื่อลืมมันเนี่ยบางทีโอหักด้วยนะเราแก้ยังไงตรงนี้แหละธรรมะจะเข้ามาทัานปล o ปล่อยวางการสูญเสียเนี่ยให้คุณหายเครียดต้องฟังธรรมะ พอทันธรรมะเราหายเครียดหายเซง็งหายอะไรต่างโดยไม่ไปครึ่งยาเสพติดธรร ม, มะจะต้องเข้ามาปลอบใจ่อนให้เราปล่อยวางได้แล้วสามารถที่จะมีความสุขอย่างโก้ๆนะไม่ต้องไปอาศัยพวกคอเล่าเด็กดดกันยาเสพติดเด็กกันไอ้ยางไงเรียนให้มันประสบความสำเร็จสิพอเราเรียนเก่งนะทำงานเก่งนะใครก็วิ่งมาหาเรา ออไทยก็จะมาห้อมล้อมเราเพราะเงินมันก็ออกมาเพื่อนขอมาเพราะฉะนั้นเอาดีโดยเรื่องอื่นไม่ใช่ไปแก้หาพวกโดยเรื่องเหล่านี้พอเรามีตําแหน่งมีอํานาจมีวาสนามีอะไรต่างทุกอย่างมันมาเองแม้กระทั่งคนรักมันก็จะมาเองทําไมเราไม่เอาชนะโดยเรื่องดีๆละ่ะทําไมไม่ประชดชีวิตละ่ะฉะนั้นคนที่จะออกจาก สิ่งเสพติดเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าตอนนี้เราทำเพราะอะไรเราทำเพราะเ่งเราแก้เหงาแก้เสพโดยวิธีอื่นไม่ดีกว่าหรือเขาเรียกว่านิสัยมันเปลี่ยนไม่ได้เราพอเราอยากจะได้ผลที่เราต้องการเราก็ทำซ้ำๆคือดื่มคือเสพแต่การแก้นิสัยเนี่ยเขาอย่างที่เขาเรียกเเขาทำเนี่ยนะคุณอยากได้เพื่อนเหรอ ไม่ต้องดื้อ ม, มาหาพวกเราสมาคมกลุ่มพวกกลุ่มพวกติดสซลาหรือหลังนี่ระนามเนี่ยเขายินดีเป็นกัละยาณมิตรให้คุณคุณทุกเพราะเป็นหนี้เป็นสินมาระบายกับเราเห็นไหมระบายเลยพอระบายแล้วมีเพื่อนไม่ละเกียจเรามันก็ไม่ต้องพึ่งสุรานี่คือหลักง่ายๆหลักกัละยาณมิตร เราเรียกว่ากาเยานมิตรท่านอยู่ในโรงเรียนอยู่ในในฐางไครมีปัญหามาหาจะไปปล่อยให้เขาเครียดอยู่คนเดียวเดี๋ยวเขาก็ไปหาสุรายาเสพติดเราแก้ปัญหาให้เขาพูดกับเขาดีๆปลอบประโลรมเป็นกาเยานมิตรเอาหลักการเดียวกันในทางาศาสนาเนี่ยทาไมคนไปวัดไปวานี่มันถึงไม่ไม่คล่องแวกนะ กับพวกพวกึ่งนี้เพราะมันมีแต่คนที่เป็นกำลังใจฟังเทศฟังธรรมปล่อยวางเข้าห า, าศาสนาแล้วไม่ไปต้องไปพึ่งสุรายาเสพติดเลยนี่เราและและบันทีนะไปหาธรรมะเนี่ยกลายเป็นยังไงกลายเป็นเรื่องที่ว่าได้สุขที่มันดีกว่าคนเรานี่มันอยากติดอยู่กับสุขสุขแบบไหน ส, สุขสุขสิมดิบอะอากสุราอยากเรื่องอะไรก็ตามเลยยาเสพติดเนี่ย แต่ถ้าเขาได้ความสุขจากกาลยานามิตรจากครอบครัวเขาก็จะลืมสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นจึงมีภา ษ, ษิตว่าการยาณมิตรเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าลดความเศร้าให้น้อยลงเรามีการยานามิตรมีเพื่อนผู้หวังดีเนี่นะเวลาเราประสบความสำเร็จเราไม่ได้ฉลองคนเดียวนะ ฉลองวันเกิดฉลองยศฉลองอะไรต่างเราอยากให้คนมาร่วมฉลองกับเราเพราะมันเพิ่มความสุขให้กับเราเป็นหลายเท่าดังที่มีบาลีบอกว่าปียันจากอนุปานหิเวลามีข้าวน้ําบริบูรณ์เรานึกถึงคนอันเป็นที่รักเราอยากให้คนรักเนี่ยมาร่วมบริโภคเพราะมันเพิ่มความสุขคนรักญาติของเรามาร่วมฉลองในยามมีความสุขกาลรานมิตรเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่า ในยามที่เราเศร้าเราสูญเสียคนกะเรณมิตรผู้หวังดีเนี่ยลดความเศร้าของเราอยู่ในวัดเนี่ยเราเห็นงานศพประจําเลยนะ่ะงานศพนี่จะจัด ก, กันเจ็วันเนี่ยโดยเฉลีย่ยวันแรกๆเนี่ยลูกหลานของผู้ตายเนี่ยร้องไห้ร้องโงมเลยพระไปสวดเป็นเทพก็จะเห็นต้องปลอบใจกันแต่พอสวดไปหลายๆวันคนมางานพวงหรีดมาอะไรมานะผู้สูญเสียตั้งสติได้นะ เอ่อที่เสียคนรักของคนรักไปเนี่ ย, ยนะญาติาไปเนี่ยพอเห็นคนมาแสดงน้ำใจมาเสียใจด้วยเนี่ยเขาเริ่มตั้งสติเริ่มฟื้นพอครบเจ็ดวันเผาดกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็มีประโยชน์ทั้งจิตใจตรงนี้ประการหนึ่งนอกจากทำบุญให้ผู้ล่วงลับเนี่ยอาตมามองเห็ น, นี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ใครมีปัญหามีอะไรอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียว เราต้องดูแนละจิตใจเขาด้วยกะเรนมิตรลดความเศร้าให้น้อยลงนะเพิ่มเพิ่มความสุขไปหลายเท่าลดความเศร้าให้น้อยลงฉะนั้นลกลุ่มกะเรนมิตรนี่ประการอีกประการหนึ่งเวลาท่านจะเปลี่ยนนิสัยนะหาท่านเคยคบแต่ไอ้พวกดื่มด้วยกันไม่มีทางเลิกได้หรอกเซฟด้วยกันเมื่อมีทางต้องไปหาเด็กเรียนเด็กดีดึงเราออกจากหลุมอบายามุนี่นี่คือเรื่องที่1นกะเรนมิตรสอง หาความสุขมาแทนที่โดยไม่ต้องอาศัยยาได้ไหมไม่ต้องอาศัยสุราได้ไหมความสําเร็จในการเรียนความสําเร็จในชื่อเสียงในทางกิจกรรมเพราะฉะนั้นใครเหงาไปเข้าชมรมสิชมรมภาษาชมรมกิจกรรมอันนี้เป็นข้อที่สาแหละยุทธศาสตร์ที่สคืออะไรภาวนาประทานท่าน พูดมาสองข้อแล้วนะสังวรประทานคือป้องกันล้อมรั้วอย่าให้มีอบัยมุกอันที่สองปาหานประทานมันหลงติดลมไปแล้วช่วยกันกะเลณมิตรช่วยกันเตือนช่วยกันยกช่วยกันอะไรต่างๆแล้วเจ้าตัวเองก็จะต้องเห็นโทษเห็นภยัยแล้วอันที่สภ า, าวนาประทานแปลว่าพัฒนาสิ่งดีงามมาแมทนที่ถ้าเราพยายามจะเลิกนะจะเลิกดื่มสุราเรายังติดความสุขของมัน ความสุขของมันซึ่งลืมโน่นลืมนี่อะไรก็ตามแล้วหรือว่าทำให้ได้เพื่อนเราหาแทนที่โดยหาใยนมิษคือเพื่อนดีๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปคบเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมและนอกจากนี้เรายังเลือกอะไรอีกหาสิ่งดีงามกิจกรรมมาทำปกติเนี่ยเราชอบเล่นการพนันใช่ไหมโอ้ยอยู่ไม่ต้องอะไรมากหรอกเนี่ยเข้าไปในบอนอะไรต่างเนี่นะ มันลืมกลับบ้านเลยนะมันลืมไปหมดนะเพราะว่ามันสร้างบรรยากาศเหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งแต่เราสามารถหาความสุขอย่างนี้ได้จากกิจกรรมอื่นไปเล่นกีฬาก็ได้ไปตีกอล์ฟก็ได้ไปเล่นกีฬ า, ายังได้เหรียญได้หน้าได้ตาออเป็นผู้แทน อ, อ, อะไรทีมชาติอีกเนหะเห็นไหมก็เป็นเรื่องที่ดีเอาเรื่องภาษาเรื่องอะไรก็ได้ว่ากันไปเราต้องมีกิจกรรมสร้างสรรค์มาแทนที่ บางคนเนี่ยพยายามจะเลิกนิสัยเก่าโดยไม่หานิสัยใหม่มาแทนที่เนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับเป็นเหมือนเดิมมันถึงได้เลิกเลิกบุหรี่เป็นร้อยครั้งเลิกเหล้าเป็นร้อยครั้งก็ไป็นสำเร็จเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าเวลาคุณอยากสูบบุหรี่เหรออยากสูบบุหรี่ตอนไหนอ่ะโอ้ตอนนั้นตอนนี้หลังทานข้าวถ้าคุณมา ท, าทํากิจกรรมอื่นได้ไหมหรือมันเปรี้ยวปากเอาหายาเขาเรียกมากฝรั่งอะไรมาอมมาแทนได้ไหมมันจะต้องมีอะไรมาแทนที่ ไอสิ่งนั้นด้วยและให้ความสุขคล้ายๆกันติดติดการพ น, นันที่มันไม่ดีเหรอเอาไปเล่นกีฬาครับไปแข่งขันครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องสร้างสรรค์เพราะเป้าหมายมันคือความสุขเป้าหมายเราก็หาความสุขที่มันไม่เป็นพิษเป็นภัยสินั่นแหล ะ, ะทีนี้มีมีชายคนหนึ่งนะเขาไปกากลุกปูรูบหนึ่งนะไปกับเพื่อนไม่ได้ตั้งใจลงไปวันไปตามเขาไปนะเสร็จแล้วก็ลุกปูก็ ให้เขาไปถวายทาาั้งคาถาหลวงปู่ก็ให้ศีลปาณาทิปปาตานะให้ศีลปรากฏว่าไอ้เพื่อนที่ไปได้ไม่ยอมรับศีลนะ่ะให้แต่คนที่ไปถวายทังงคาถารับศีลหลวงปู่ก็สงสัยอพอให้ศีลเสร็จคาถามว่าทําไมคุณไม่รับศีลคุณเป็นศาสนาอื่นเลยเราผมพุทธเป็นคนพุทธครับหลวงปู่อ่ะแล้วทําไมไม่รับศีลนะ่ะผมไม่อยากหลอกพระครับผมกินเหล้าครับปู่ติดเหล้า เออไปไปไปรับสินก็เท่ากับไปหลอกพระผมผมเลยกลัว บ, บาปเแต่ว่าไอ้กินเหล้าไม่กลัวนะไม่ยอมรับสินไม่รับสินเพราะว่ากินเหล้าลูกปู่บอกไม่เป็นไรคุณยังเลิกไม่ได้ก็ไมไ่ว่ากันแต่ขอสักอย่างได้ไหมกลับไปบ้านนี้นะขอวันละหนาทีนะลูกปู่ขอเนยะไม่รับสีนไม่เป็นไรแต่ทําสมาธิได้ไหมศินสมาธิปัญญาใช่ไหลูกปูบอกเมื่อคุณไม่หิ ไม่รับศีลคุณรับสมาธิได้ไหมรับปากได้ไหมนั่งกรรมฐานวันละห้านาทีแต่คุณอยากจะเมาคุณก็เมาไปนะนั่งกรรมฐานวันละห้านาทีครับคับครับเป็นใจหลวงปู่ก็รับปากไปพอกลับไปบ้านเนียตื่นนอนหรือก่อนนอนนึกถึงที่ไปรับปากอ่ะเมากับเมาแต่วันนี้ก่อนนอนสวดมนต์แล้วก็นั่งกรรมฐานห้านาทีตามที่รับปากรับมาพอทําไปเรื่อยๆนะ มันเกิดมีความสุขที่วิเศษกว่าจิตใจมันมีสติมีสมาธิเนี่ยมันเข้มแข็งนะไอ้สุราที่มันเคยเป็นธาตุมันเนี่ยโดนจิตเข้มแข็งกว่าเนี่ยมันเลิกได้นะและคนคนนี้เนี่ยต่อมาเลิกสุราเลยเพราะไอ้กรรมาฐานห้านาทีเนี่ยสติห้านาทีเนี่ยมันทําให้จิตเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยเวลาจะหยิบอะไรขึ้นมาดื่มเนี่ย น, นะ ที่สำคัญตอนจะจะหยิบเนี่ยมีสติไหมสติมันมักจะต่างไปทางแต่ถ้าใครติดแล้วลองสังเกตตัวเองแล้วดื่มเพราะอะไรเอาไม่ใช่เฉพาะเรื่องเหล่านี้เท่านั้นการพนันด้วยเราจะไปเล่นเพราะอะไรมันเหงามันเซ็งมันเครียดเราก็ถามตัวเองเรามีวิธีแก้เหงาแก้เซ็งแก้เครียดด้วยวิธีอื่นไหมจาเป็นหรือจะต้องกงเนี่ย พ, อ, พอมันมีสติขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ออกเขาเรียกว่าสร้างตําบูนการแทนที่เอาไว้พอมีความรู้สึกอยากดื่มื่ออะไรออกไปดูภาพยนตร์สมมุติเราก็ชอบภาพยนต์ไปดูภาพยนต์ไปคุยกับคนที่เราถูกคอไปวัดไปส่องพระอะไรนะพระเครื่องเลยนะแล้วแต่พอมันอยากขึ้นมาไปทำทันทีตอนหลังนีพอมันมีความรู้สึกอยากขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิด น, นิสัยใหม่ มันจะกลายไปสองพระกลายไปสวดนมนต์กลายเป็นออไตรรุเขายกวันไว้ที่เซเว่นก็ไปร่วมกับเขานะ่ยเออไปทางนองนั้นไปเลยนะหมายความว่าอย่างไงเอานิสัยใหม่คือการกระทาใหม่มาแทนที่นิสัยเก่าโดยเป้าหมายยังคงเดิมเป้าหมายคือความสุขแต่เราไม่หาความสุขจากสุรายาเสพติดการัานั้นเราหาความสุขจาก กิจกรรมอื่นแล้วเอามาแทนที่ตอนไหนตอนที่มันอยากดื่มอยากเล่นนั่นแหละพอมันอยากดื่มอยากเล่นเราเอายาอื่นมาแทนที่ต่อไปมันจะเกิดนิสัยใหม่นะถ้าเราไม่ทําตอนที่มันอยากดื่มอยากเล่นมันเปลี่ยนนิสัยไม่ได้แต่ถ้าเราอยากดื่มอยากเล่นเราเอานิสัยอื่นมาแทนที่ไม่ว่าจะเลือกกิจกรรมไม่ว่ากีฬาหรืออะไรต่างๆเ้าเรียกว่าภาวนาประทานมาแทนที่ปุ๊บเนี่ยท่านจะเปลี่ยนนิสัยได้นะ เพราะฉะนั้นลองดูกระด้ไม่ว่าเรื่องอะไรไม่ว่าเรื่องอยากอาหารนาะหมอเขาห้ามทาน น, ทานนู่นทานนี่แล้วเป็นยังไงพอเราอยากจะทานจะไม่ของแสลงเนี่ยเราเคยทานเนี่ยมันก็หาอาหารอื่นที่มันมีสนสนองความอยากได้แล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่แสลงมาทานเนี่ยมันก็เกิดนิสัยใหม่ได้ไม่ไปเพิ่มแคลอรี่ไม่ไปเพิ่มน้ําตาลไม่เพิ่มอะไรแต่เดี๋ยวนี้เขายังมีน้ําตาลเทียมเลยนะแก้นิสัยอะ่ะไอ้นิสัยที่ทําให้มันเพิ่มน้ําตาลจะไหมครั เ, เอา เอาเอ า, เอ า, เอายี่ห่ออื่นมาที่มันไม่เป็นพี่เป็นภัยมาให้เราถานนี่คือเปลี่ยนนิสัยอยากทานกาแฟเหรอติดกาแฟโอ้โหกาแฟมาที่ไรน้ำตาลขึ้นต่อไปกาแฟดส <c oughs> าสิกาแฟดำน่ะมันก็มันก็ยังติดกาแฟอยู่แต่มันไม่ไม่เป็นเบาหวานน่ะนี่คือเปลี่ยนนิสัยท่านเปลี่ยนนิสัยด้วยภาวนาประทานแปลว่าหากิจกรรมสร้างสรรค์ามาแทนที่อยากไปทําซ้ําๆเดิมๆในหลวง นาวมินเนี่ยรัชการที่9านาวมินกษัตริยาธิราชเนี่ยท่านเปลี่ยนนิสัยชาวเขาเนี่ยซึ่งเรื่องยากมากจนจนจน UN, เนสาหารัชาชาติให้ลงวัลเลยเน่ยในการพัฒนากษัตริย์นักพัฒนาพัฒนาไอคิวแมตต์เดเนพัฒนาคนเนี่ยเรื่องสำคัญคือพัฒนแก้นิสัยแก้นิสัยชาวเขาเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องมบยมุกนี่แหละ ย, ยาเสพติดเนี่ย ชาวเขาในสมัยโน้นเนี่ยไม่ได้เซบอย่างเดียวนะปลูกฟินขายด้วยนะยากกว่าสมัยนี้เองนะในหลวงแก้ได้นในหลวงรัชกาลที่เก้าอ่ะปี2512สิบไปดูประวัติพระองค์ท่านนะท่านเริ่มพระองค์ท่านเริ่มในปี2องสเสด็จแปรพระราชฐานที่ผูกพิงราชิเวทเนี่ยไปที่ดอยปยุยบาลัยสามเนี่ยโอ้เห็นชาวเขานี่นะปลูกฟินเน่ะ ปลูกฟินขายแล้วนึกหรือว่าไอ้คนปลูกมันไม่เสพอ่ะมันก็เสพด้วยสิขายด้วยนะขายคนไทยนี่แหละโอ้โห2องพนะขาวเขาเนี่ยไปฐานป่าฐานป่าก็ทําลายแหลกน้ําแล้วก็ยังปลูกฟิ่นทําให้เกิดปัญหาทั้งทางเรื่องดินฟ้าอากาศทั้งสังคมทั้งอะไรต่างๆในหลวงทรงแก้อย่างไรแก้นิสัยไม่ให้เขาปลูกฟินเนี่ย แค่โดยวิธีการพัฒนาภาวนานี่ภาวนานี่ไม่ได้แปลว่าสวดมนต์นะภาวนาแปลว่าเจริญเช่นจิตภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตในหลวงทรงพัฒนาชาวเขาด้วยวิธีไหนก็ไปดูนิสัยเดิมชาวเขาชอบอะไรชอบถักล้างถางป่าทำไล่เลือดรอยปลูกฝินแก้ไม่ได้นิสัยนิสัยเป็นเกษตรกรบนที่ราสูงนี่แก้ยากในหลวงทรงใช้วิธีนี้ คุณปลูกก็ปลูกไปนะไอ้เรื่องปลูกนี่นิสัยเดิมชอบปลูกนี่นะทําเกษตรขุณทาต่อไปแต่แทนที่จะปลูกฟิน่นให้ปลูกพืชทดแทนนี่เหมือนนิสัยที่ว่าเนี่ยอยากอยากสนุกอย่างไรเปเล่นกีฬาแทนที่จะมาใช้สุรายาเสพติดในหลวงเห็นว่าชาวเขานี่ชอบปลูกชอบตัดไม้อา้าวปลูกแล้วในหลวงไปดูอะไรไปถามเขา นอกจากฟินที่คุณขายแล้วเนี่ยคุณขายอะไรอีกชาวเขาก็เอาลูกท้อนะมันมีอยู่บนที่ที่หนาวอะ่ะบนดอยอะ่ะเอาท้อแต่มันลูกเล็กเอาไปขายราคามันไม่ดีเท่าฟินแต่มันก็แพงในหลวงก็จึงได้ได้ความคิดเนี่ยปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรที่เขามีแหล่งพัฒ น, นาอยู่แถวที่ราดสูงเนี่ยลองหาท้อพันใหม่ พันพื้นเมืองมันลูกเล็กเอาท้อจากนอกหรืออะไรต่างมาต่อตาให้มันปลูกขึ้นในที่ของเราในประเทศไทยแล้วได้ผลใหญ่เอาไปขายได้เงินเยอะพอกระขายฝินมาขายไรกเกษตรเขาทำพอได้ท้อที่ว่าเนี้ยก็เอาไปแจกชาวเขาคุณเลิกปลูกฟินนะแล้วปลูกอเปียนิสัยเป็นปลูกพืชทดแทน ด้วยปลูกทอ้อปลูกแอปเปิลสตอเบอรี่หาพันธุ์ต่างๆไปแทนที่จนชาวเขาเนี่เลิกนิสัยปลูกไอ้นิสัยเดิมคือปลูกยังอยู่แต่ทดแทนด้วยจากฟินเป็นพืชเมืองหนาวพืชที่ได้ราคาดีทำไปทำมาเกิดนิสัยใหม่ ชาวเขาเดี๋ยวนี้นะมีรายได้ดีมีอะไรต่างถูกกฎหมายเพราะปลูกพืชในเมืองหนาวบนที่รากสูงโดยที่ในหลวงเนี่ยเปลี่ยนเรื่องยาเสพติดไปหมดเลยเป็นพืชทดแทนที่งดงามเพราะฉะนั้นข้อที่สามเนี่ยคือภาวนาประทานนะ คือหาอะไรนิสัยดีๆเนี่ยเพราะฉะนั้นส่งเสริมกิจกรรมไม่ใช่ไหมไม่ใ ช, ไใช่ไปห้ามนู่นห้ามนี่อย่างเดียวนะแต่สร้างสรรค์ต้องมาทดแทนกิจกรรมที่ดีงามยกย่องชมชเชยนะไม่ใช่จะด่าอย่างเดียวว่าโอ้ยอย่าไปเซ็อย่าไปสุพรรณีอย่าไปกินเล้าแต่ยกย่องคนที่ทําดีให้รางวัล น, นี่คือภาวนาประธานเขาทํากิจกรรมดีๆอะไรส่งเสริมยกย่องและสุดท้ายอนุรักษณาประธาน แปลว่ารักษาความดีที่พัฒนามาแล้วเนี่ยให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มไม่ใช่เริ่มกิจกรมารมอะไรไว้แล้วก็หยุดพอสําเร็จแล้วมันเป็นกิ่งก่าวิ่งหยุดหยุดมันก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นโรงเรียนสีขาวจะต้องมีกระบวนการให้รางวัลมีการลงโทษมีอะไรต่างทำอย่างต่อเนื่องและเอาผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมามามาดูมาแรงรวมความว่า โรงเรียนสีขาวเนี่ยโรงเรียนในเรื่องตาสีขาวเนี่ยคือมุ่งให้ปลอดจากกับดักของมารอใบยมุขหคือผีหกตัวและมีกระบวนการหรือยุทธศาสตร์สีขั้นหนึ่งสังวรละวังอย่างให้มารมามาวางกับดักในสถาบันหรือมายุคมาแย่มายุอะไรกระตักให้ปลอดอใบยมุขนั่เลยสองปหาณประธานช่วยผู้ที่ ติดกำดักให้พ้นให้ได้ไม่ว่าจะเป็นแค่บุรีหรือสุราก็ให้เลิกให้ได้อย่าไม่ต้องรวมไปถึงยาเสพติดอื่นบุรีสุราเลิกก่อนอันที่สามภาวนาประทานหากิจกรรมสร้างสรรค์มาชนเชยทดแทนและข้อที่สี่อนุรักษณาทำให้มันต่อเนื่อง วันนี้ท่านทั้งหลายได้เริ่มในการประกาศปฏิญญาณ น, นี้ทําให้นึกถึงรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าเนี่ยในปีสองพันสี่รสิบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเนี่ยจะเสด็จประพาสยุโรปแล้วเมื่อจะเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยคนก็ห่วงเวลาไปไ ป, ไปอเมริไปยุโรปเนี่ยนะฝรั่งเขาจะชนแก้วนะ โอมีบรนดีมีอะไรดีๆเดี๋ยวก็จะไปเรียกว่าไปหลงไปละเลย ก, กับพวกซุราของเขาสิแล้วมีแม่มสวยๆอีกต่างหากเดี๋ยวจะไปเอาแหมมกลับมากรุงเทพเองอะไรแล้วแล้วยังมีพวกประเทศนี้มันมีาศาสนาของเขาเดี๋ยวก็จะไปเรียนาศนาสนานเสียงลั่มเสียงลือเสียงห่วงใหญเยอะมากดังกันเพระมกษัตริย์ไทยไม่เคยสเสด็จประพาสยุโรปอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกใน2440เนี่ ย, ยก็เลยทำยังไงรัชการที่5ถือโอกาสตอนที่มีการถวายสัตว์ปฏิญาญณญของผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์เน่เวลาที่ไม่อยู่ในกรุงเทพจะต้องมีผู้รักษาไม่อยู่ในกรุงเทพในประเทศไทยต้องมีผู้รักษาราชการแผ่นดินเนี่ยจะต้องถวายสัตว์ปฏิญาญณญญในขณะที่ในการถวายสัตว์ปฏิญาณเนี่ย ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์พระมหาเษราย์เทราตั้งแต่พระสังฆราชมาแล้วก็รวมถึงข้าราชการผู้ใหญ่ในมหาสมาคมนั้นในหลวงราชการที่ห้านอกจากให้ให้ผู้สําเร็จราชการแผ่นดินประกาศปฏิญญาถวายสัตย์ปฏิญญาแล้วพระองค์ประกาศปฏิญญาณด้วยเหมือนกับสมมาทานศีลพิเศษเลยในการจะไปยุโรปครั้งนี้อะไรที่ใครห่วงใยนี่ ขอประกาศต่อหน้าพระบรมวงศานุวงศ์ในมพระบรมราชาวังนะในที่ประชุมมหาสมภคมต่อหน้าพระมหาเถรานุเถระต่อหน้าข้าราชการผู้ใหญ่รเสนาบดีทั้งหลายสามข้อเดียกันเหมือนกับเป็นศีลพิเศษในการเสด็จประพาสยุโรปทางนั้นสามข้อนี้นะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งบอกว่าข้าพระเจ้า จะไม่มีเจตจินดีน้องไปในศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดชีวิตไม่เปลี่ยนศาสนาเลยนี่ประกาศข้อที่หนึ่งข้อที่สองการที่ขพเจ้าไปครั้งนี้แม้ว่าจะช้านานเท่าใดก็ดี ถ้าพระเจ้าจะไม่ร่วมประเวณีด้วยสตรีใดจนกว่าจะกลับมาถึงในพระราชานาเขต น, นี่ข้อสองข้อสามถึงแม้ว่าจะไปในประเทศซึ่งเขาถือกันว่าการให้สุราเมรไรเป็นการเสียกิริยาการให้สุราเมรัยแล้วไม่รับ เป็นการเสียกิริยาอันดีหรือป้องกันโรคภัยอันเปลี่ยนอากาศเป็นต้นถ้าพระเจ้าจะาไม่เสพสุราเมรไรให้มึนเมาเสียสติหรือแม้แต่มีกายวิกลเกินปกติเป็นอันขัดพอเป็นสังคมเป็นพิธีประกาศในมหาสมาคมแล้วตลอดเวลา เหมือนกับได้ประกาศไปแล้วสมาทานมิรัตอ่ะพอใครจะให้ทําอะไรเกี่ยวข้องที่มันละเมิดเนี่ยนึกถึงทาประกาศปฏิญญาณไว้ไม่ร่วงละเมิดจนกระทั่งดับถึงคณะผ่อนี่คือสมาทานมิรัติฉะนั้นวันนี้ที่โรงเรียนในเรืออากาศโนวมินกษัตริยาธิราชประกาศนโยบายสีขาวก็คล้ายๆกันเป็นปฏิญญาณต่อพวกเราทุกคนต่อพระสงฆ์ต่อซื่อบลชน เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายทุกคนก็ต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามยุทธศาสตร์สข้อตั้งแต่สังวรประทานป้องกันขีดเส้นวงล้อมไม่ให้กับดักของมารเข้ามาในตรงนี้ปานานประทานดูแลช่วยเหลือผู้ที่ติดสุราบุรียาเสพติดต่งางๆให้พ้นไม่ต้องไปพึ่งไ อ, ไอ้กลุ่มนิรนามแต่อย่างใดช่วยกันอันที่สามภาวนาประทานหาสิ่งดีงามสร้างสรรค์ ทำให้ชีวิตเจริญเติบโตในทางบวกเหมือนกับที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้ชาวเขาเลิกปลูกฟินด้วยพืชทนแทนที่ดีงและสุดท้ายอนุรักษ์นาประทานก็ดูแลรักษาสิ่งที่เราได้เริ่มไว้สร้างสรรไว้ตลอดไปก็จะทำให้เกิดประโยชน์ภัยสารทั้งแก่บุคลากรบุคคล น, นักเรียนนักศึกษา และสถาบันโดยรวมจึงเป็นที่น่าอนุโมทนาธรมาก็ข อ, อมีส่วนร่วมในการให้ธรรมะเป็นทานเป็นการให้เาเรียกว่าทางแห่งพระธรรมสนับสนุนกิจกรรมของท่านทั้งหลายแต่เพียงเท่านี้